คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎกปออปยุตโตรวมทั้งท่านทธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิอัตมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎกปออปยุตโตโดยส่วนตัวอัตมาก็มีความเคารพนับถื อ, อท่าน พระคุณพระผมคุณาภรณ์หรือว่าในอดีตคือพระธรรมปิดกปอประยุตโตเป็นอย่างยิ่งแล้วเมื่อได้รับรางวัล น, นี้นะก็รู้สึกว่าเป็นรนางวัลอสงเกียตเพราะเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นในฉายาของพระคุณท่านอันที่จริงแล้วอาตมาไม่ได้เป็นนักการศึกษาอย่างพระเดชพระคุณพระภรหมคุณาภรณ์อีกทั้ง ก็ไม่เคยได้เกี่ยวข้องนะกับสถาบันการศึกษาในลักษณะของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์หรือว่านักการศึกษาแต่ถ้าหาว่าการศึกษาในที่นี้มีความหมายครอบคลุมไปถึงกระบวนการที่เสริมสร้างจิตสำนึกอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมก็อาจจะพอกล่าวได้ว่าอัตมาก็ได้เป็นผู้ที่มีส่วนในการศึกษาในความหมายที่กล่าวมารางวัลส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพเป็นรางวัลที่ครูบาอาจารย์หลายท่าน ได้รับมาเป็นเครื่องแสดงถึงการให้ความสำคัญของมูลนิธิที่มีต่อผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาเพื่อสันติภาพในความหมายที่กว้างขวางอย่างที่ได้กล่าวมาและเมื่อมูลนิธิได้นับรวมอาตมาก็เป็นส่วนหนึ่ง ของผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาเพื่อสันติภาพก็ต้องรู้สึกขอบคุณนะแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างหนึ่งนะในชีวิตของอาตมาแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยรางวัล น, นี้เนี่ยก็คงไม่ได้มุ่งหมายในการเชิดชูตัวบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการเชิดชูอุดมคติคุณธรรมหรือว่า การกระทาที่เป็นไปเพื่อความดีงามในสังคมพูดง่ายๆก็คือเป็นการเชิดชูคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวบุคคลและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำรงประเทศชาติและโลกนี้ให้มีความเจริญงอกงามและมีความสงบสุขร่มเย็นคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเนี่ยย่อมปรารถนาความสงบสุข และความร่มเย็นในชีวิตปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ความสงบสุขร่มเย็นในชีวิตเกิดขึ้นได้ก็คือการมีสันติภาพในสังคมตั้งแต่สังคมขนาดเล็กคือครอบครัวชุมชนจังหวัดไปจนถึงประเทศชาติแล้วก็รวมไปถึงสันติภาพในโลกแต่แล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยสันติภาพในโลก เป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่งแม้ว่ามนุษยชาติเราจะมีพัฒนาการมาจนถึงวันนี้แต่ว่าสันติภาพก็ยังถูกเบียดบังทุกวันนี้เนี่ยมีสงครามมีการรบพุ่งทั้งสงครามระหว่างประเทศสงครามกลางเมือง หรือว่าการก่อความรุ น, ร น, รนแรงในรูปของการก่อการร้ายนี่มากมายมีผู้ประเมินว่าทุกวันนี้เนี่ยมีสงครามและการลบพุ่งอยู่ประมาณ80ประเทศหรือว่าหนึ่งในสามของอประชากรโลกซึ่งหนึ่งใน80ประเทศนั้นนะก็คงจะรวมถึงประเทศไทยด้วยเพราะว่าความรุนแรงถึงขั้นนะ เป็นสงครามย่อยๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันบั่นทอนความสงบสุขร่มเย็นของผู้คนเป็นอย่างยิ่งสงครามและความรุนแรงนะเป็นปัญหาที่สำคัญของคนทั้งโลกแม้จะบางแห่งจะไม่มีสงครามการลบพุ่งแต่ว่าความรุนแรงที่เกิดจากการประทะ ก, กัน ด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาภาษาและที่อุดมการก็ยังมีอยู่กระจัด ก, กระจายไปทั่วจนเกิดกระทั่งการเข็นฆ่าเลือดตกยางออกในเมืองไทยเรานะก็มีเหตุการณ์ทานองนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะล่าสุดก็เมื่อปี2553 น, นะก็เกิดความรุนแรงกลางกรุงมีคนตายนับร้อยบาดเจ็บหลายพัน และแม้กระทั่งต้นปีนี้นะหรือจกนกระทั่งเมื่อกลางปีนี้ก็ยังมีความรุนแรงทางการเมืองอยู่แต่ก็ก็ยุติไปชั่วขณะแล้วก็หวังว่าจะเป็นการยุติไปนะอย่างถาวรสภาพเหล่านี้เนี่ยมันบ่งบอกนะถึงปัญหาต่างๆในสังคมแต่ถ้าจะสาหาถึงเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นปัจจัยสามประการ ซึ่งฝังรักลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนจนกระทั่งก่อเกิดกันเป็นวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยความรุนแรงที่ประทุจนเป็นสงครามหรือแม้แต่การเบียดบังในรูปของอาชญากรรมมันก็มีเหตุปัจจัยอยู่ที่รากเหง้ า, งงาทางจิตใจของผู้คนได้แก่ตัณหามานะและทิฐิตัณหาคือความอยากนะ มาน่าคือความถือตัวทิฐิก็คือความยุติดในอุดมการณ์ในความคิดความรุนแรงและสงครามจํานวนไม่ น, น้อยเนี่ยเกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์แย่งชิงทรัพยากรและจํานวนไม่น้อยเนียเน่ยก็เกิดจากการกีด ก, กันข่มเหงกันด้วยเหตุทางศาสนาภาษาเชื้อชาติ มีการข่มเหงคนเน่งร้ายด้วยถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสูงกว่าความลังเกียจเหยียดผิวความลังเกียจเหยียดกันในทางศาสนาอันนี้เนี่ยก็ทางพุทธศาสนาก็ว่ามันเกิดจากมาะนะนะมานะคือความถือตัวและถึงแม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างกันทางด้านชาติพันธุ์ทางภาษาหรือว่า ทางสีผิวแต่ความแตกต่างทางความคิดทางอุดมการก็สามารถจะนำไปสู่ความรุนแรงได้การเกิดสงครามเย็นระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิว น, นิสต์นะก็เป็นผลสะท้อนมาจากทั้งตันหามานะและทิฐิหรือแม้แต่ความรุนแรงในระดับที่ย่อยลงไปเมื่อสาวหาสาเหตุก็จะพบว่ามัน มาจากตันหามานะและทิฏฐิเช่นเดียวกันซึ่งนำไปสู่ความขมเห็งคเนงร้ายนะด้วยเหตุนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการเสริมสร้างสันติภาพในสังคมไม่ว่าระดับใดก็ตามนอกจากการสร้างเหตุปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองเช่นทำให้บ้านเมืองมีความมีเสรีภาพมีประชาธิปไตย มีความเสมอภาคกันไม่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการบันเทาลดทอนตันหามนณทิฐิในใจของผู้คนอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็ทำให้ผู้คนเนี่ยมีความเมตตากรุณาต่อกันมีขันติธรรมคือความใจกว้างยอมรับความแตกต่าง ไม่ใช่ความแตกต่างทางความคิดเท่านั้นแต่รวมถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมทางด้านศาสนาไม่ดูถูกว่าวัฒนธรรมนี้ศาสนานี้ต่ํากว่าของตนสังคมไทยและเฉลี่ยกับสังคมโลกต้องมีขันติธรรมในทางศาสนาในทางความคิดในทางชาติพันธุ์หรือถ้า ทำได้ดีกนะ็คือว่ามองมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนมนุษย์นะไม่ใช่มีการแบ่งเขาแบ่งเราแยกเป็นฝกักแยกเป็นฝา่ยนฝายตามพรมแดนประเทศหรือว่าตาม เ, าเชื้อชาติศาสนาที่แต่ละคนสังกัดถ้าหากว่ามีทัศนคติแบบนี้ได้มันก็จะช่วยลดมานะและถ้าทุกคนเนี่ยมองซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนมนุษย์นะการที่จะ มีความมีตันหาเพื่อที่จะแย่งชิงเอาระเอาเปรียบกันก็จะน้อยลงรวมทั้งที่สําคัญประการนึงก็คือการเห็นว่าความรุนแรงนั้นไม่ใช่คําตอบเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นถ้าหาว่าคนตระหนักว่าความรุนแรงนั้นมีแต่จะทําให้ความขัดแย้งลุกลามมากขึ้นนอกจากจะไม่ได้แก้ปัญหาเก่าแล้วยังสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาหรือถึงอาจจะทําให้ปัญหาเก่าเบาบางลงแต่ก็กบดานลงชั่วคราว รอวันที่จะประทุมาใหม่ขณะที่ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นก็กลายเป็นว่ายิ่งใช้ความรุนแรงปัญหาก็ยิ่งมากเมื่อตระหนักเช่นนี้ผู้คนหันมาเห็นว่าสันติวิธีจะเป็นคำตอบได้แม้จะใช้เวลาแต่ก็จะลดความสูญเสียและทำให้เกิดความสมานฉันท์ความปรองดองความคืนดีกันได้อย่างแท้จริงเพราะสันติวิธีนั้นเนี่ยไม่มุ่งกำจัดศัตรู ให้ตายไปจากโลกนี้แต่ว่าเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรไม่มีวิธีใดจะกำจัดศัตรูได้ดีกว่าการเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นมิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการในกระบวนการดังกล่าวในการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากการศึกษาจะช่วยทำให้ตัณหามานะทิฐิในใจคนบรรเทาเบ า, บาบางลงไปและเกิดค่านิยมหรือคุณธรรมใหม่เข้ามาแทนที่เช่นขันติธรรมเมตตาธรรม และความเชื่อมันในสันติวิธีอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราสามารถทำให้เกิดค่านิยมหรือคุณธรรมดังกล่าวได้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความรุนแรงในสังคมช่วยเสริมสร้างสันติภาพในโลกนี้เท่านั้นมันยังมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงอีกประเภทหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะกลายเป็นวิกฤต นั่นคือความรุนแรงต่อธรรมชาติทุกวันนี้เนี่ยปัญหาของโลกไม่ใช่อยู่ที่ขาดสันติภาพในสังคมเท่านั้นแต่ว่ามันยังเกิดความรุนแรงกับธรรมชาติการทำลายธรรมชาติทาลายระบบนิเวศวิทยาไม่ว่าบนฟ้าบนดินใต้ดินหรือในน้ำกำลังเป็นปัญหาที่เป็นวิกฤตนะ ของโลกในปัจจุบันเพราะว่านาไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรกันความรุนแรงในสังคมหรือว่าสงครามในบางที่บางแห่งก็เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรโดยเฉพาะแย่งชิงน้ำยังไม่ต้องพูดถึงน้ามันนะซึ่งก็กำลังเป็นประเด็นขัดแย้งกันทั่วโลกแม้กระทั่งระหว่างจีนนะกับประเทศหลายประเทศในเอเชียคเน นะต่างก็แย่งชิงมีข้อพิาพาทกันในเรื่องพรมแดนเพราะว่ามีน้ํามันมีแหล่งน้ํามันอยู่ในทะเลเป็นต้นความขัดแย้งที่เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรเนี่ยเป็นเพียงแค่ปัญหาหนึ่งอันเนื่องมาจากการกระทําความรุนแรงต่อธรรมชาตนะิปัญหาที่มีมากกว่านั้นก็คือการที่ภูมิอากาศแปรเปลี่ยน ข้าปาอาหารขาดแคลนนะรวมทั้งเกิดความแปรปรวนในระบบนิเวศวิทยาหลายชนิดซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนยังไม่ต้องพูดถึงความขัดแย้งในท้องถิ่นที่เกิดจากการแย่งสิ่เพยาทรัพยากรหรือใช้ทรัพยากรต่างกันเช่นชาวบ้านต้องการป่าในการดารงชีวิตเพื่อปัจจัยสี่ แต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการป่าต้องการทำลายป่าเพื่อพัฒนาหรือสร้างพลังงานขึ้นมาด้วยการสร้างเขื่อนซึ่งก็คือการทำลายป่าอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นบางแห่งก็ต้องการที่จะขุดเอาทรั พ, พยากรเช่นแร่ที่มีราคาแพงซึ่งก็หมายความว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นต้องถูกอบโยโยกย้ายอันนี้ก็กลายเป็นความขัดแยง้งนะ ที่ตามมาความรุนแรงที่กระทําต่อธรรมชาติเมื่อสาวไปถึงสาเหตุก็จะเพราะว่ามาจากจิตใจของมนุษย์นะที่มีความโลภไม่รู้จักพอไม่สามารถที่จะพึงพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายมีความเชื่อว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิเลยก็ว่าได้คือความเชื่อว่า ความสุขนั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุยิ่งมีวัตถุมากยิ่งมีความสุขมากเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะร่ำรวยแม้จะสะดกสบายอยู่แล้วก็ยังต้องเบียดเบียนทําลายธรรมชาติเพื่อมีทรัพยากรมาเปิลเปื่อความสุขความสะดกสบายให้กับตนยิ่งยิ่งขึ้นไปความพิชิตนี้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศเพราะเหตุนี้เนี่ยปัญหาโลกร้อนจึงไม่มีประเทศใดที่จะ สนใจแก้ปัญหายจริงจังเพราะว่านั่นหมายถึงการที่จะต้องลดการใช้ทรัพยากรหรือว่าอาจจะต้องลดกระบวนการอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะหมายถึงการที่มีเศรษฐกิ จ, จเจริญเติบโตน้อยลงแต่ก็ไม่มีประเทศใดที่จะเสียสละนะยอมรับความจริงยอมรับผลกระทบเช่นนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ยังต้องยังเร่งตั้งหน้าต่างตา ใช้ทรัพยากรหรือว่าปล่อยมลภาวะต่อไปก็ทำให้ปัญหาธรรมชาติในระบบนิเวศวิทยานั้นวิกฤตขึ้นและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเร่งราวความรุนแรงให้เกิดขึ้นทั้งในรู่องของการแย่งชิงแย่งชิงทรัพยากรหรือว่าการที่ต้องอพยพโยกย้ายเพราะว่าทรัพยากรหรือธรรมชาตินั้นขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าผู้อพยพ ทางด้านววิทยาตอนนี้ก็เกิดมากขึ้นเรื่อยๆ อ, อพยพฝนแรง อ, อพยพภาวะทะเลทรายนะซึ่งสักวันนึงอาจจะเกิดขึ้นกับเมืองไทยยังไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ต้อง อ, อพยพเพราะเห็นว่าน้ําในทะเลเพิ่มระดับสูงขึ้นนะจนกระทั่งต่อไปกรุงเทพก็อาจจะโดนน้าท่วมก็ต้อง อ, อพยพกันนะขึ้นสู่ที่สูงอันนี้ก็จัดว่าเป็นทําให้เกิดความไม่สงบสุขร่มเย็นที่จะเกิดขึ้นตามมา ปัญหารนี่ยดังที่ได้บอกไว้แล้วว่ามันเกิดจากการที่ผู้คนนั้นเนี่ยนะมีความมีตันหาหรือมีความโลภไม่รู้จักพอและก็มองว่าธรรมชาตินั้นมีไว้เพื่อปนเปรตตนไม่ได้มองแบบชาวพูดว่าธรรมชาตินั้นเนี่ยมนุษย์เราควรจะไปส่วนของธรรมชาติมนุษย์เราควรจะปรับตัวให้สอดคล้องกลมือกับธรรมชาติดังที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าผีเสื้อนั้นเนี่ย แม้ต้องการดอกแม้ต้องการน้ำหวานจากดอกไม้แต่ก็ไม่เคยทำให้ดอกไม้นี่ต้องเสียสีเลยผีเสื้อนั่นเนี่ยต้องอาศัยน้ำหวานจากดอกไม้แต่ว่าไม่ว่าจะตอมตมจะ ต, ตอมยังไงก็ตามดอกไม้ก็ไม่เคยบอบช้ำหรือเสียสีอันนี้ก็ผู้เจ้าตัดเช่นนี้เพื่ออุปมาว่าพระเราก็ควรจะปฏิบตัติต่อญาติโยม ก็คือว่าไม่เบียดเบียนญาติโยมอุปมาอุปไม้นี้ก็สามารถจะใช้กับมนุษย์ทั้งโลกได้คือว่าแม้เราต้องพึ่งพาธรรมชาติแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะทําให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมการอยู่อย่างการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดสันติสุขร่วมกันระหว่างมุ่งกับธรรมชาติเป็นสิ่งจําเป็นและจะทําเช่นนั้นได้นะมนุษย์เราต้องมีความเคารพธรรมชาติเห็นคุณค่าธรรมชาติเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ที่ต้องพึ่งพาสายธรรมชาติและหากว่าเห็นว่าธรรมชาตินั้นเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของมนุษย์ความเคารพธรรมชาติความรักธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นและเมื่อ น, นั้นก็จะนําไปสู่การมีสันติกับธรรมชาติจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสันติภาพในสังคมและสันติภาพในระบบเนื้อวิทยาไม่ว่าเราจะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าเพียงใดก็ตามไม่ว่าเราจะสร้างระบบสังคมเศรษฐกิจ ให้เกื้อกูลต่อสันติภาพสองประเภทนี้ยังไงก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการปรับเปลี่ยนจิตใจของมนุษย์นะเพื่อให้มีขันติธรรมมีเมตตาธรรมมีความรู้จักพอมีความเมตตากับมนุษย์และธรรมชาติด้วยรวมทั้งมีความเคารพธรรมชาติเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการศึกษาแต่ว่าก็คงไม่จำกัดเฉพาะการศึกษาในโรงเรียนเหมาเทลัย แต่ก็ควรเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ทุกคนจะเรียกว่าตั้งแต่รู้ความไปจนถึงตายหรือก็ว่าได้การศึกษาที่ไม่จํากัดเฉพาะในโรงเรียนหมายหาวทยาลัยแต่ว่าเป็นการศึกษาทีเา่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเดี๋วแล้วก็ตามการศึกษาเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องไม่อาจจะมองข้ามปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นอกจากสันติภาพในสังคม ที่ขาดแคลนนอกจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วปัญหาเนื้อคือการที่มนุษย์ไม่มีสันติในตัวเองมนุษย์เนี่ยทุกวันนี้จํานวนมากเนี่ยไม่มีสันติสุขในตัวเองมีความแปลกแยกเหินห่างหมางเหมือนกับตัวเองแล้วก็ปฏิบักษกับตัวเองเหมือนดังศัตรูพระเจ้าเคยตรัสไว้แล้วว่าบุคคลพาณ น, นั้นเนี่ยย่อมกระทํากับตัวเองเหมือนกับเป็นศัตรูคนพาณในที่นี้ไม่จําเป็นต้องหมายถึงคนชั่ว แต่จะหมายถึงคนโง่หรือคนที่หลงนะคนที่หลงตัวลืมตนก็สามารถจะเป็นคนผ่านได้แล้วเมื่อหลงตัวลืมตนแล้วเนี่ยก็สามารถจะเบียดเปลียนตัวเองทํากับตัวเองเหมือนอย่างศัตรูไม่ใช่เพียงเพราะว่ากินเหล้าสูบบุหรี่ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายเท่านั้นนะแต่หมายถึงการที่ไม่สามารถการที่เปิดการที่ปล่อยให้กิเลสตัณหาเข้ามาครอบ ง, งําใจ การที่ปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาบีบคั้นจิตใจไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางความทุกข์ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางอารมณ์มันเป็นกุศลเหล่านี้ก็ไม่ต่างจากการที่ทําร้ายตัวเองทํากับตัวเองเหมือนนังศัตรูนี่คือสาเหตุอีกประการหนึ่งนะที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยไม่มีสันติในตัวเองเมื่อไม่มีสันติในตัวเองแล้วการที่จะมีสันติในธรรมชาติการที่จะสร้างสันติในธรรม ในสังคมเนี่ยก็ย่อมเป็นเรื่องยากเมื่อคนใดคนหนึ่งไม่มีสันติในตัวเองไม่มีความสงบร่มเย็นภายในใจของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะก่อความรุนแรงในครอบครัวได้ก็อาจจะระบายความโกรธระบายความหงุดหงิดใส่ลูกใส่สามีใส่ภรรยาหรือว่ามีการทะเลาะเบาแว้งกันจนกระทั่งอาจจะถึงขัน้นลงไม้ลงมือทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการไม่มีสันติภายใน และถ้าไม่มีสันติภายในและเป็นบุคคลที่มีอานาจก็สามารถจิตจะทําให้เกิดความวุ่นวายความเดือดร้อนในสังคมและนําไปสู่การเบียดเบียนธรรมชาติได้เพราะคิดว่าการเบียดเบียนพรคิดว่าการตักตวงทรัพยากรจากธรรมชาตินั้นเนี่ยจะทําให้เกิดความสุขแก่ตัวเองแต่ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขไม่มีความพอใจเสียทีจิตใจยังเกิดความรุ่นร้อน และยิ่งไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยก็ยิ่งอยู่ร้อนนอนทุกข์เมื่อมีความทุกข์แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางดับทุกข์ดับความรู้น้อนในใจแต่พราะไม่รู้จักจิตใจตัวเองก็เลยไปหาสิ่งภายนอกมาปนเปื้อคิดว่าถ้ามีเงินมากขึ้นถ้ามีชื่อเสียงเกียรติยศมากขึ้นจะทําให้มีความสุขได้มากขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่ต่างจากคนหนีเงากลางแดดก็คือว่าไม่ว่าจะวิ่งยังไงก็หนีเงาไม่พ้นความทุกข์ยังติดตามไป คนเราจะหนีเงาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะวิ่งหนีไปออกไปข้างหน้าไกลที่สุดคนเราไม่อาจจะหนีรอยเท้าของตัวเองได้ตามได้ที่ยังวิ่งแล้ววิ่งวิ่งเราไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นวิธีเดียวที่เราจะทําให้เงาหายไปและรอยเท้าหมดไปก็คือนั่งอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้เมื่อใดก็ตามที่เรานั่งอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้นะเงาก็จะหายรอยเท้าก็จะหมด อันนี้ก็เปรียบเสมือนกับมนุษย์เรานะที่ทุกคนเนี่ยพยายามวิ่งพยายามวิ่งพยายามตักพยายามวิ่งไปข้างหน้าเพื่อตักตวงอะไรต่ออะไรมากมายด้วยคิดว่าจะทําให้ตัวเองมีความสุขหรือทําให้ความทุกข์หมดไปแต่ความทุกข์ก็ไม่เคยหมดไม่ว่าจะวิ่งไปไกลแค่ไหนไม่ว่าจะตักตวงเพียงใดก็ตามความสุขความสงบจะเกิดขึ้นได้เมื่อหยุดวิ่งเมื่อหยุดแสวงหาก็คือมาหลบอยู่ใต้ร่มไม้ ร่มม้นนคือร่มเงาแห่งธรรมนั่นเองเมื่อทุกคนได้รู้จักหยุดดูใต้ร่มเงาแห่งธรรมแล้วเนี่ยก็จะพบความสงบเย็นในจิตใจสันติภาพสันติสุขภายในก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อมีสันติสุขภายในก็จะเกิดความเมตตากรุณาไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนเพื่อมนุษย์และความเมตตานั้นก็จะแผ่ขยายไปจนถึงธรรมชาติและสรรพสัตว์ไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนธรรมชาติเพื่อมาสนองปลเปลอ ความต้องการของตัวเองเพราะมีความสุขอยู่แล้วภายใน mm. ก็ไม่จำเป็นต้องมีทรัพยากรมาปนเปื้อมมากมายอย่างที่เคยเชื่อเคยเข้าใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสันติสุขภายในเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสําคัญของสันติภาพในสังคมและสันติภาพในธรรมชาติด้วยเห็นนี้เองอาตมาในฐานะที่เป็น ชาวพุทธนะที่ที่เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยนอกจากจะบำเพ็ญประโยชน์ตนแล้วแล้วก็ควรจะบำเพ็ญประโยชน์ท่านด้วยก็จึงพยายามที่จะทําตามกําลังนะเพื่อที่จะทําให้เกิดสันติภาพในสังคมสันติภาพสันติสุขในธรรมชาติแล้วก็โดยเริ่มต้นหรือให้ความสําคัญกับสันติสุขภายในใจ การที่อาตมาได้มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนแล้วก็เมื่อเป็นนักศึกษาเนี่ยก็นับว่าเป็นโชคของอาตมามากพอหากว่าเพราะในเวลานั้นเนี่ยในช่วงปีสองพัน1นึ่ร้อยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่ยเป็นช่วงที่บ้านเมืองเนี่ยนะกำลังมีความขัดแย้งทางการเมืองและแนวคิดหนึ่งที่ได้รับความเป็นที่นิยมมากก็คือการ แนวคิดแบบสังคมนิยมโดยเชื่อว่าสังคมอุดมคติจะสำเร็จได้ด้วยการใช้กำลังอาวุธหรือการใช้ความรุนแรงในานามของการปฏิวัตินะแต่ว่าโชคดีที่ได้มารู้จักพระพุทธศาสนาและท่านหนึ่งที่มีทิพลทางความคิดของตมามาตั้งแต่เป็นนักเรียนก็คือพระราชวารุณีนะซึ่งปัจจุบันก็คือพระผมคุณาภรณ์นั่นเอง อันนั้นคือสมมนศักดิ์ของท่านนะของอเจ้าคุณประยุทธ์นะก็คือพระราชวารมรนีซึ่งตอนนั้นท่านก็เริ่มเขียนหนังสือพุทธธรรมแล้วนอกจากนั้นอาจารย์พุทธทาสนก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีทิพลในทางความคิดต่อตา ม, มาที่ทำให้น้อมใจมาสู่พุทธศาสนาทำให้เห็นว่าการขัดเกลาจิตใจตนเองเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องทาควบคู่ไปกับการ เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นก็จะต้องใช้วิธีแห่งอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้ความโกรธความเกลียบพยาบานเพราะดีที่มีความเชื่อตรงนี้เป็นพื้นเมื่อเกิดเหตุการณ์6ตุลาขึ้นเมื่อปี19นะก็คือวันนี้เมื่อ38ปีที่แล้วนะอาตมาก็อยู่ที่หมหาวยาลัธรรมศาสตร์ล้วก็ได้ร่วม มีส่วนร่วมในการประท้วงนะในเหตุการณ์ครั้งนั้นและทุกท่านก็ทราบดีว่าการัน6ตุลานั้นลงเอยด้วยความรุนแรงถึงขั้นนองเลือดนะมีคนตายนับร้อยถูกจับกุมนับพัน3กว่าพัน 3,000 กว่าคนอาตมาก็เป็นหนึ่งใน 3,000 คนนั้นที่ถูกจับกุมที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนั้นเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ปี2 การจับกลุ่มนั้นเนี่ยนะเนื่องจากก็มีประสบก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่ามีผลต่อจิตใจของตามามากก็คือว่าขณะที่มีการลำเลียงนักศึกษาประชาชนเพื่อขึ้นรถโดยสารเพื่อจะนาไปจับกลุ่มคุมขังนะตามที่ต่างๆเช่นที่นครปฐมแล้วก็ที่เรือนจำและที่ที่เมืองชนบุรี อาตมาก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ต้องถูกลำเลียงขึ้นรถเพื่อที่จะนํานไปจับกุ่มตามที่ว่าระหว่างที่วิ่งขึ้นรถนั้นเนี่ยก็มีสองแถวประชาชนผู้รักชาติเนี่ยคอยต้อนรับต้อนรับด้วยการเตะด้วยการถีบนะแถวนั้นก็แครมากเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกเตะถูกถีกถบ อาตมาโชคไม่ดีนะตอนที่วิ่งจะขึ้นรถเนี่ยแม้จะวิ่งเร็วเพียงใดก็ยังถูกเตะถูกถีจนล้มตอนนั้นเจ็บมากปวดมากแต่ว่าเมื่อมองเมื่อเงยหน้าไปยังคนที่อยู่ในแถวนั้นซึ่งอาจจะเป็นคนที่เตะถีปาตมาเห็นใบหน้าขเขาเนี่ยมันไม่เป็นใบหน้าของมนุษย์เลยนะเป็นใบหน้าที่เต็มด้วยความโกรธความเกลียดจะเรียกว่าเป็นใบหน้าของคนที่กลายจากความเป็นมนุษย์ก็ได้เห็นได้ชัดเลยว่าความโกรธความเกลียดนั้นเนี่ย มันทำลายมนุษย์จริงๆมันทำลายความเป็นมนุษย์อย่างชัดเจนในใจตอนนั้นไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดเขเลยนะแต่รู้สึกสมเพศสงสารว่าเขาปล่อยให้ความโกรธความเกลียดครอบงำใจจกนกระทั่งทำลายความเป็นมนุษย์ของเขาในตอนนั้นยังแปลกใจว่าทำไมไม่โกรธไม่เกลียดเขามันมีแต่ความสมเพศและสงสารและประสบการณ์นั้นก็ทําให้เห็นภัยของความโกรธความเกลียดแล้วก็ตั้งใจว่าจะ จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับความโกรธความเกลียดนั้นในวันนั้นเนี่ยหรือในวินาทีนั้นเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าฉันจะตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับความโกรธเกลียดฉันจะเป็นศัตรูความโกรธเกลียดจะไม่ปล่อยให้ความโกรธเกลียดเนี่ยครอบงําใจของตัวเองและจะหาทางป้องกันไม่ให้ความโกรธเกลียดนั้นเนี่ยมันเพย์เ ย, ยอะพยองขึ้นมาครอบครอบงาผู้คน โชคดีที่ว่าเมื่อไปถูกจับกลุ่มที่โรงเรียนพลตำรวจเมืองชนเนี่ยรอดชีวิตกลับมาเพราะตอนนั้นกลัวว่าเกรงว่าคงต้องตาย เ, เขาคงอาจจะเอานักศึกษาประชาชนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยไปลงทะเลเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศว่าเมื่อจับกลุ่มได้แล้วหลังรับอาหารก็มีการฆ่าผู้คนที่ถูกจับกลุ่มได้แต่ว่าเมืองไทยนั้นเนี่ยไม่ถึงขั้นขนาดนั้นเมื่อรอดชีวิตกลับมาก็ตั้งใจว่า จะทำงานนะในการส่งเสริมอหิงสาและไม่สนับสนุนความโกรธเกรียดและตั้งแต่ตอนเป็นคารวดมาก็พยายามทำงานเกี่ยวด้านสันติวิธนะีเพื่อให้คนได้มีทางเลือกในการแก้ไขข้อขัดแยง้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงและเพื่อและขณะเดียวกันก็พยายามขีดเขียนแล้วก็แปลหนังสือเพื่อให้คนได้ตระหนักว่าความโกรธเกลียดไม่ใช่คำตอบมนุษย์ไม่ใช่ศัตรู ศัตรูที่แท้คือความโกรธความเกลยียดความหลงต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เมตตากรุณานะเพื่อที่จะระ ง, งับไม่ให้ความโกรธความเกลยียดนั้นเข้ามาครองใจหรือว่าแผ่ขยายอิทธิพลในสังคมอาตมาก็ได้ทําเช่นนี้มามาอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อได้บวชนะที่วัดป่าและได้มาจำมรนสาแรกที่วัดป่าสุกโตก็ได้เห็นหลวงพ่อคาเขียนเนี่ยท่านได้อนุรักษ์ป่า ท่านก็ทําตามกําลังของท่านแล้วก็ได้มีส่วนช่วยในการาสู้รบกับไฟป่าอยู่อย่างต่อเนื่องมาหลายปีสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยเป็นอี ก, อ ก, อกทั้งแบบอย่างคุรู้ว่าคําเขียนนะท่านก็ทําให้เกิดความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติก็กลายเป็นว่านอกจากงานด้านสันติวิธีหรืองานด้านภาวนาแล้ว งานอนุรักษ์ธรรมชาติก็กลายมาเป็นอีกงานหนึ่งนะที่เข้ามามีความสําคัญในชีวิตของอตมาไม่ใช่เพียงแต่แค่การอนุรักษ์ป่าที่สุกโตหรืออนุรักษ์ป่าที่ผู้หลงวัดป่ามหาวันตอนหลังก็ทํางานอนุรักษ์ป่าที่ขยายไปกว้างขวางร่วมกับกลุ่มเสขียธรรมแล้วก็แม้ว่ากลุ่มเสขียธรรมตอนนี้ก็ทํางานน้อยลงนะแต่ว่าการ อนุรักษ์ธรรมชาติก็ยังเป็นงานที่ทำอยู่เป็นประจําอาทิเช่นการจัดธรรมยาตราลุ่มน้ําลําบะทาวซึ่งจัดทุกปีด้วยความดื้อเรื่องของหลวงพ่อกำเขียนมาเป็นเวลา14ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่15ที่ยังทําต่อไปเรื่อยๆอย่าง้วก็ตามที่ธรรมาได้กล่าวไว้แล้วว่าเรื่องงานภายในเป็นเรื่องสําคัญสันติสุขภายในเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการ เรื่องงานภาวนาเรื่องการสอนวิปัสสนากรรมฐานเรื่องการเจริญสติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาตมาให้ความสำคัญแล้วก็โชคดีที่มีมีมูมิท ม, มาได้ร่วมช่วยกันโดยอาศัยที่วัดป่าสุกตนี่แหละนะเป็นที่ช่วยเสริมสร้างสันติสุขใ น, ในใจของผู้คนแล้วก็มูมิทนะดังกล่าวนะทั้งที่วัดป่าสุกโตทั้งที่วัดป่ามหาวัน วัดภูเขาทองก็ได้มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติบนเขาหลังนี้ก็เรียกว่าได้มีการทำเสริมสร้างนะสันติภาพสันติสุขในหลายมิติอาตมาคิดว่าการทำงานเพื่อสันติภาพนั้นเนี่ยเราจะทำมิติใดมิติหนึ่งคงไม่พอเพียงในขณะที่เราทำงานเพื่อสันติภาพในสังคม ก็ไม่ควรลืมสันติภาพในธรรมชาติและทั้งหมดนี้ก็ต้องกลับมาสู่การสร้างสันติสุขในจิตใ จ, ใจคนเป็นพื้นฐานขณะเดียวกันจะทำเพียงแค่สันติสุขในจิตใ จ, ใจของตนแต่ละเลยสันติภาพในสังคมหรือว่าละเลยสันติภาพในธรรมชาติก็คงไม่พอนะชาวพุทเรานะมีหน้าที่ที่ต้องทางานทั้งภายในและภายนอกให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน และกระบวนการที่จะทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการศึกษานะการศึกษาเป็นพื้นฐานโดยเพราะการฝึกจิตพัฒนาตนในพุทธศาสนาเนี่ยการศึกษาเนี่ยถ้าเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนะศีล ส, สมาธิปัญญาหรือบางทีก็เขียนมาในรูปหนึ่งก็คือทานศีลภาวนาการศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยต้องย่อมนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง ชีวิตจิตใจอย่างรอบด้านทั้งด้วยทั้งที่ปรากฏมาเป็นการกระทำและคําพูดก็คือทานและศีลและที่ปรากฏออกมาในจิตใจโดยสายภาวนาหรือว่าสมาธิและปัญญาเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระของชาวพุทธและว่าสาวธุชนทั้งหลายที่จะต้องทําให้ การศึกษาหรือตราสิกขาที่ว่านี้ได้บังเกิดขึ้นกับตนเองและควรจะทำให้เผยแพร่ออกไปได้อย่างกว้างขวางเริ่มจากคนใกล้ตัวเช่นลูกหลานสามีภรรยามิตรสหายไปจนถึงคนในสังคมที่กว้างออกไปทั้งในรูปของการเขียนการอบรมการบรรยายนะหรือว่าหากมีกำลังก็ทำเป็นสถาบันการศึกษาขึ้นมาทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบเนะ เพื่อทําให้เกิดสันติภาพในสังคมสันติภาพในธรรมชาติแล้วก็สันติสุขในจิตใจของผู้คนอาตมาก็นับว่านะโชคดีที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาได้มาพบคําสอนของครูบาอาจารย์อย่างเช่นท่านเจ้าคุณพระผมคุณาพรซึ่งทําให้ได้เห็นความสําคัญของสันติภาพในทุกมิติและเห็นความจําเป็นนะของการที่จะ ขัดเกลาจิตใจภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยและสิ่งเหล่านี้ควรจะทำให้เผยแร่ออกไปโดยไม่จำกัดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ก็รู้สึกขอบคุณนะทางบุนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรมรมปิฎกปอประยุตโตที่ได้มีรางวัลเชิดชูเกียรติซึ่งอย่างที่อัตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าไม่ใช่ เป็นการเชิดชูเกียรติตัวบุคคลเท่านั้นแต่ว่าสิ่งสําคัญคือการเชิดชูธรรมะนะเพื่อที่จะได้มีกําลังในการที่จะลดความรุนแรงในสังคมลดความรุนแรงธรรมชาติแล้วก็ลดความรุนแรงในจิตใจของผู้คนเพื่อทําให้เกิดสดภาพสันติสุขอย่างรอบด้านและครบถ้วนก็ขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาประสันดิภาพธรรมประ เขาทรมาพิดกความยุโตอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้กรุณามาให้เกียรติแก่ตมาแล้วก็ขอขอบคุณนมโมทนาในกิจกรรมของมูลนิธิที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2 4 2ซึ่งไม่เพียงแต่มีการมอบรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมหลายอย่างทั้งการพิมพ์หนังสือการจัดสัมมนานะ ทั้งนี้เพื่อให้แนวคิดเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพซึ่งพระเดชพระคุณพระพมคุณนาภรณ์ได้ได้ได้ได้เป็นผู้ริเริ่มนำเสนอมาตั้งแต่20กับกว่าปีหรือ30ปีที่แล้วจนกระทั่งท่านได้รางวัลจากยูเนสโกเมื่อปีสองพนหมะ 37, นะก็หวังว่าท่านกรรมการทุกท่านนะจะมะีกำลังในการทำงานและได้รับความสนับสนุนอย่างต่อนเนื่องแล้วก็หวังว่าทุกท่านในที่นี้ก็จะให้ความสนับสนุนแก่มูลนิธิ ในการทำงานดังกล่าวหรือว่านำแนวคิดของมูลนิธินั้นนำไปนำไปเผยแพร่ตามวิถีทา ง, งตัวเองอันนี้ก็นับเป็นเรื่องที่น่ามโนทนาอย่างยิ่งท้ายสุดนี้ก็ขออ้างคุณประสิทรัตน์ไตรยอำนวยอวยผลให้ทุกท่านที่มาในที่นี้นะทั้งที่เป็นกรรมการทั้งที่ทั้งที่ร่วมในกรรมการของมูลนิธิและที่มาจากหมห า, า, ช, าชัยราชพัชชัยภูมิ แล้วก็ญาติโยมสาธุชนที่อื่นทั้งหลายทั้งปวงขอให้ได้มีอายุวันนะสุขะร ะ, พระเพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมสำเร็จทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านขอให้ได้พบกับสันติสุขภายในและมีความเพียรในการสร้างสรรค์สันติภาพภายนอกให้บังเกิดขึ้นเพื่อความสงบร่มเย็นของเพื่อมนุษย์ทั้งหลาย ขอให้บุญกุศลนั้นได้อำนวยอวยผลให้ทุกท่านได้มีศีลสมาธิปัญญาได้พบกับความสุขเกษมสารโดยมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิน